ควาบผู้ดับดับยากนะไม่ใช่ตัวพระนั่จสุ่มพระแล้วงานของพระคืออะไรนะตั้งขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเป็นผู้เป็นคนที่เริ่มมีสติสตังนมีสติมีปัญญามิเจรนาเหตุผลผลไกลทั้งทางโลกและทางธรรม ผิดหรืูการเคลื่อนไหลของเราที่เป็นพระเวลานี้นั่งละเรื่อนหมดเป็นพระหน้าที่ของพระตั้งเริ่มขึ้นมาแล้วพระตอนนั้นผู้จิตขจาดในทางที่ถูกที่ควรได้พระไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนะหมดขอนนั้น พายุงลมจะไม่มีแล้วนะก่อไปนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วในวงกรรมฐานเราผมผพ้นพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันสะลดจั ง, วงจเว็อยู่ในหัวใจเนี่ยเดินไปไหนเดินก็ดดไปได้ถ้าลงถ้าเรา มาได้ทำงานของตัวเองโดยจงคือเดินตรงๆนั่งสมาธิภาวนาบรรละจิตใจของน ต, งตอนให้ีความวางสายสงบเย็นแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่เป็นสำคัญในองค์ของพระแต่ละองค์ละองค์พระเราเน้นนะ เรื่องฐานที่พระพุทธเจ้าทรงลังเโินและสอน อ, อบรมพระมาโดยลำดับมามีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้มีในฐานะว่าผมไมด้ศึกษาเรียนมาบ้างพอประมาณคือไม่ได้เรียนเฉพาะในหลักวิชานี้เท่านั้นค้นนิแต่หนังสือถ้าไตรปิฎก เมื่อมีโอกาสเหมาะสมจริงไม่นำทำเหล่านั้นแหละมาแสดงให้เชื่อให้ถูงฟังพอ บ, บางองค์ถ้าต้อมีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนดังที่กล่าวมาอะไรนี้อย่างข้พิจาราเท่ า, าน่น้เนื้อหนังของพระงานการของพระแสจีาการเดินไปครมั่งสมณพิตรมาทำรัายขีดใจพูดไม่ห่างตัวเลย ทำมาองพระพุเจ้าแสดงอยู่รอบตัวรอบตัวไม่ห่างไม่มีความเจ อ, อความอะไรตามโล ก, กาตามหลังศาลนะพูดด้วยสติปัญญาก็มีตั้งแต่กําจัดสิ่งที่เป็นไยัยซึ่งฝังอยู่ในใจในตัวของเรานี่แล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้ามากระเทือนกับกิเลสพูดด้วยธรรมกระเทือนกับกิเลสแล้วลึกด้วยธรรมกระเทือนต่อกิเลสนี่แหละพระพุทธเจ้า ท่านรงคารมนรเพือสนาว่าการต่งส อ, สองตระหนั้นองกันพูดอะไรให้กตะเกื้อพิเรเพื่อหยุดลอยเอาไปเรื่อยๆด้วยสติด้วยกัญญาด้วยความทั้งดวงระหว่างแล้วนีความตั้งใจนี่แหละเรื่องของพรจะจำเอาไว้นะ่ะนั่นแหะท่านแสดงกันอย่างนั้นอบอกพระเจ้าพระทรงคารมเนรอย่างนั้นพูดอะไรนี่จะเรื่องความภาคความเพียรนะเดินจงกรงนั่งสมาธิภาวนา นีเลืดดวนแล้วแต่เรื่องตะเพรนพิเรศนั้นไม่ในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนมี่จะอยู่เพื่อำรักิเระนั้นเพราะพิเลศเป็นไทยมาตั้งแต่การในไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ใหนี่จะตรัสรู้มาด้วยการฆ่าพิเรศสังหารพิเลศแล้วสอนโลกให้ทังหารความสั่วท่าละโมกทั้งหลายที่ออกมาจากพิเลศตัว ฝังลึกด้วยความเชื่อฆะและฝังลึกยู่ที่กานั่นแหละไม่ทิ้ไม่ถือทีอ่ไหนนี่พื้นเพลิ่ดฐานจริงจำไว้นงานของข้าคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานานมีสติมีปัญญาอยู่รอบตัวสติกับปัญญาไม่แหนใดก็ต้องแหนหนึ่งยิ่งเกิดสติเป็นพื้นฐานปัญญาเกิดขึ้นเป็นบางเวลานี่หมายที่ในขั้นแรกของความเป็นฆะมีคสกระตัง เดินจงกรมนั่งสงมาธิภาวนานี่คือปรญญาของพุกประกอบความเพียรยิ่ง ผ, งผู้ทำงานถ้อติเป็นพื้นฐานและอัตตากับปรญญาใดไม่แสดงก็ตามสติมีความรู้สตตัวอยู่เสม อ, อระวังอยู่เสมอในสิ่งจระทำเแล้วนี้สิ่งใดที่เย็นชครฝืนกันทันทีอย่าค่้อยตามไม่ค่้อยตามไม่ได้บิดาคนจ น, นะมั่ยิ่ง นั่นโดยอย่างเวลาเราตื่นมาตอนเช้านี้จิตก็จะไม่ทางานจับอะไรก็ไม่สึกเป็ง่ามในดือนห่งมันมันหดกับปัสกิลยะทุกด้านตื่นขึ้นมาจิตท้ายจิตญาของสิกทำงานนั่นทำงานเนื้อไม่ออกเนืไม่ออกหดเข้าไปไม่มีจิตในข้ายจิยาสังขารนั่นจิิญาของสิตสัญญาความเกิความจกจิตญาของสิต ที่เรียกเป็นสมุดขันห้านี่นี่จะยินน้ำวนเร็วลงเร็วลงทำไงข้าเด่นเลยศาสนาเรื่องมา2องพันห้าร้อยกว่าปีดูทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเร่องของพร้าหน่าวัน เลี้วลงเลียวลงเลวลงมีไอ้จี้นี้ก็จะพูดทุกอย่างจิตบอกก็จะได้แสดงราคาดำเนินพื้นฐานที่สรงแสดงแต่ผ้าทั้งหลายนี่นตั้งแต่ที่คงเคยกล่าวเสมอขึ้นเพื่นกระชั้นสีนี้มาที่ปัญญาขึ้นนี้เลย พระเดินงกรมนั and and ่งสมาธิภาวนาสังวรธรรมเนี่ยสำคัญมากความทั้งรวมทั้งรวมใจทั้งรวมอยตนาตาหูจมกริมกายนั่งทั้งรวมคือระวังอยู่ตลอดนั่นเองคว่าสังวรูคุณาสังวรูสากุสั สาธุเจ้าเป็นนักสร้างโรอ่ำนป่นนักสร้างโลกสาธุสาธุอะไรกี่ข้านัสร้างโลกเรนครับผมทั้งทั้งงตาหัวจมุกลิมกายใจนี่คืองานของพระนี่ชาป้องกันของพระจากค่าศิกทั้งหลาย คี่ก็คือปัญญาด้วยความระมันมระวังหรือด้วยความทั้งรวมระวังตาหูจมูกหิ้อกาจิตนี่มีแลบพื้นฐานอของพระงา น, นของพระอันดีถ้าไม่ได้นอนใจก็คิดภาษาเพราะนอนใจได้ไหมมันจึ ง, จงทำตัวเป็นเหมือนแน่เนื้อทำมีทริยาระวังอยู่ตลอดแม่เนื้อปะ ระวังอันตรายจัดเป็นจัดได้หรือเป็นนมาพานก็ตามเป็นสิ่งที่แม่เนี้นจะต้องระวังตัวตลอดท่ททานท่านจสอนมาให้เราพวกเราทั้งหลายทำตัวเหมือนอย่างนั้นไปวันไหนว่าไหน ไ, ไม่มีแหล่งทา้งกลมเนี่ยมนจตรงทำมาสังเวรนั่ คืองานเป็นเพื่อนเป็นฐานเป็นเป็นแกนหรือเป็นแก่นของศาสนาของชาวเขาเองจริงๆ น, นี่อ่ะฮะแล้วเนี่ยมี่แต่ เ, เรื่องของโลกของของสารทอดไปหมดเลยที่ทํำไงแล้วมีใครที่จะกล่าวถึงศีลใช่สมากล่าวถึงสมาธิกล่าวถึงปัญญากล่าวถึงอะ พระก็ประธานที่ได้มีทีประกอบความเพียรในประธานที่ต่างๆนั้นพระเจ้าทรงประทานนั้นอย่างเนี่ยที่พระองค์ประทานนั้นอย่างเบว่อพระเมตตาสืบสวนอันใดที้พิรมันความอหมดอหมดนะถ้าไม่ตาพระเจ้าที่เอาพ้นหัวพวกเราเนี่ยสู่พิริยะแล้วขี่มาพ้นหมดเต็มหมดหัวเลยนะถ้าไม่ตาพระเจ้าที่ประทานนั้นนไม่ไม่ไม่มีอะไรจะกรดิบใน วิทยาขงพระว่าเป็นความภาคความเพียงเลยกนะ่ะมันจะมีเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ไอ้กิเลสมันกิเลสทั้งเรื่องนะผมเป็นจริงจริงนั้นผมไม่ได้กินเล่นนะ่ะยิ่งเท่ายิ่งแก่เวลรยิ่งเป็นทำงายแต่พราะอย่างยิงย่ ง, ห, งห่วงเมื่ห่งกั้วที่ใกล้ชิดจิตพันก็รอตลอดเวลาเพราะเราได้สอนเป็นที่เป็นถามสอนเป็นกลังความสามารถนี่แล้วก็ยังเสียท่าอยู่แล้วก็หมดมนเนี่ยที่ทําให้มันยิ่งโวิจารมาก แวงชาวพุทธทั่วไปเป็นอีอย่างตลอดถึงโลกกลายโลกธาตุเป็นอีอย่างถ้าทำปุโรหิตานี้เฉียบขาดเอามากกับพิเรสไม่มีอะไรที่ยจะเป็นกับพิเรศได้นอกแต่ ท, ทําพุโรหิตาเท่านั้นเหมือนลงยันลงว่าเท่านั้นหนึ่งตรนั้นไม่มีศาสนาศ า, าสนาขอว่ากันไปอย่างนั้น สายตาใจปาาใจผิึ้นเป็นพึ้งตาได้แม่นยำไม่มีอะไรบ ก, กพ้องตัพุทธศาพุทธศาสนาเนี่ยสาคัญมากนะพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมเนี่ยฟังดีเป็นผู้จิตสิ้นพิเรศไมว่าตรัสรู้ธรรมก็ฆ่าี่เรศในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็น ก็ได้ตัดทะลุทำด้วยดีแล้วเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์จิดสิ้นกิเลสแล้วมาสอนทำน่าจะสอนทำทั้งทั้งกิจจิตเต็มไปด้วยกิเลสมืดดำกําตาอยู่นั่นแหละก ร, รับกำดำกาขาวสอนด้นเดากันไปคนมีกิเลส <c oughs> กับคนที่กิเลสเป็นยังไงที่ิญาการแสดงมาต่างกันยังไงบ้างนั่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ที่กิเลสนี่สคือหายได้ยินได้ฟังที่ไหนเรา นี่เลทางพิเดตเต็มโลกเต็มทัางสารผู้ชิ้นี่เดตหาที่ไหนมีนี่ยังได้ฟังข่าวว่าของผู้ชื่นพิเดตในเจตธรรมของบริษเจ้าเราจะหาแนวทางศาสนาวิทธพันธุ์มาจากที่ไมนอีกถ้าไม่เอาเวลานี่เหมืนแน่นอนที่สุดันสมานนีให้กว่าวได้ในศาสนาศาสนาเต็มโลกเต็มทั้งสาร น, นี่แต่เด็กกิก็พูดได้แต่นี่เป็นความจริงจำนั่นหรือไม่แต่นั้นจํา่ันมากนะคนมากไม่ได้เป็นความจรรมินถ้าเป็นความจ ร, รมิงนี่ศาสนาจะมาเป็นค้าศิกต่อกันอืมที่ไหนนี่เ่็นศาสนาเป็นค่าศึเวล้โลกเขาเขาเลยไม่เป็นค้าศิกแล้วนี่เป็นศาสนาเป็นข้าศิกกั น, นกเวล า, า เ, าเ น, ารรลนี่ยทำมั น, รรมนเป็นของจรรินจเนเรามม่ไปบ้าศึกได้อย่างไงศาสนาอะระธรรมนี่ละเนื่อมั น, นมันตายใจไม่ได้ ศา ส, สนารบศาสนายุ่งไปหมดนั่งตั้งไว้เป็นศาสนาแพ่ทำแพ่เท่านั้นอห่ไม่ได้ลบเอาแล้วมาลบเอาเริ่มเอาเิทำงานแต่งงนท